ความสุขความเจริญทุกท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมกาลังนำเสนอสติปัฏฐานสูตรในช่วงแรกช่วงแรกนั้นทรงแสดงถึงเหตุผลที่ตรงแสดงมหาสติมหา ส, สติปัฏฐานสูตร โดยข้อแรกก็คือโดยสถานะแล้วสติปัฏฐานาสูตรนั้นเป็นทางอันเอกหรือเป็นทางเดียวที่จะนำคนให้หลุดพ้นจากกิเลสและสังสารทุกข์ในระดับต่างๆมากหรือน้อยก็ เต็มตามกำลังความสามารถของแต่ละบุคคลพราะที่จริงการที่เราอยู่ในศีลมันก็พ้นจากกิเลสระดับหนึ่งจะเริญสมาธิได้สมาธิเป็นขนาหนึ่งขนาหนึ่งมันก็เป็นการลดกิเลสลดทุกข์ลงไประดับหนึ่งเพียงแต่ว่าต้นทุนมันต่ำ ทำมวยผลไปนานแต่ถ้าเราเทียบเคียงแล้วบางทีมันก็นานนะอย่างอดีตประวัติของพระอนุรุตาเทระเนี่ยท่านเป็นคนยากจนยากไรในชาติหนึ่งนานอดีตการนานมาไกลมาแล้วท่านเคยให้ทาน พอสุดๆ ส, สมบัติท่านในฐานะที่เป็นคนยากจนโดยผลอันดีสูงของการให้ทานในคราวนั้นทาให้ท่านเกิดเป็นเป็นพุ่มทามให้เกิดเป็นเจ้าเทพทาให้เกิดเป็นเทวดาทาให้เกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิทำให้เกิดเป็นประราชาชอุ้ยนับกันไม่หวาดไม่ไหว จนถึงก็ว่าเป็นคนที่แปลกที่เกิดมาไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มีท่านไม่รู้จักคำว่าไม่มีนี่หมายความว่ายังไงคราวหนึ่งก็ไปเล่นพ น, นันท้าพนันขนมกันท่านก็เล่นแพ้ ก็ส่งคนไปไปขอขนมจากสมเด็จแม่มาสมเด็จแม่ก็ส่งให้เรื่อยจนหมดขนมก็เล่นแพ้เรื่อยแม่ก็เลยบอกไปว่าขนมไม่มีท่านไม่เข้าใจอ่ะท่านไม่เคยได้ยินคาว่าไม่มีท่านก็เลยสั่งกลับไปว่าเอาขนมชนิดไม่มีนั่นแหละ ขนมที่ชื่อว่าไม่มีนั่นแหละคือแม่ต้องการว่าหมดขนมต้องการจะบอกว่าหมดขนมแต่ท่้งเข้าใจว่าคำว่าไม่มีมนั้นเป็นชื่อของขนมแม่ก็บอกเลยชอบคนรูปลองเนี่ยไม่รู้จักแม่แต่คำว่าไม่มีทั้งก็เลยจาัด ก, การเอาผ้าคลุมถาดไปส่งไปให้พระโอรส ก็เทวดาที่ทำบุญร่วมกับท่านมาก็เห็นว่าสมัยที่ท่านเป็นอนนาภาระนั้นท่านตั้งความปรารถนาไว้ว่าจนกว่าจบะบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยอย่าให้ท่านได้ยินคำว่าไม่มีจนกว่านิพพานไปเทวดาเลยก็ต้องนิรมิตขนมที่เป็นทิพย์ใส่เข้าไป พอไปถึงก็เปิดขนมขึ้นมาปรากฏว่ากลิ่นหอมปรลบพุ่งไปทั้งหมดเลยแล้วก็รสชาติอริตร่อยมากก็กินขนมอะไรกันเสร็จแล้วก็มาคิดว่าเอสมเด็จแม่เราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราก็โตมาแล้วไม่เห็นเคยจักขนมไม่มีให้เราเลย วันนี้นึกอะไรขึ้นมาจึงให้ขนมที่ว่าไม่มีกลับไปถามแม่ว่าแม่นี่รักลูกไหมบอกว่าลูกเนี่ยเท่ากับแก้วตาดวงใจของแม่แหละคือไม่มีใครที่แม่จะรักยิ่งไปกว่าลูกอีกแล้วแล้วก็ถามด้วยความสงสัยว่าถ้ารักจริงๆทำไมจึงไม่จัดขนมไม่มีให้ลูกได้รับได้ได้กินตั้งแต่ต้นมาแม่ก็สงสัยเอ้ยอะไร ก็สอบถามคนใช้คนใช้ก็เล่าออกฟังท่านก็คิดว่าเออรูปเราเป็นคนมีบุญจะรอจะเป็นขนมที่เทวดาเขาจัดเอาให้ตั้งแต่วันนั้นมาท่านก็ขอนะฮะขอว่าขอกินขนมไม่มีแม่ก็ทำพิธีเอาผ้าคลุมถาดใส่ส่งไปทุกเตีย ขนมที่เกิดขึ้นโดยเทวานุภาพดยบุญญาณุภาพที่ท่านได้กระทำไว้ในชาติที่เป็นอ น, นาาุพาระเพราะมันก็ลดทุกไปได้ระดับหนึ่งแล้วกิเลสต่ความอยากกินนั้นกินนี้กินนู้มันก็ลดลงไปเพราะว่าก็สเสบยขนมชื่อว่าไม่มีสบายไปแล้ว นี่ก็เป็นข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าที่ทรงแสดงไว้ถึงผลสูงสุดนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องได้รับผลสูงสุดเท่านั้นข้อสาคัญว่าเพียงลงมือประพฤติปฏิบัติไปตามที่ส่งแสดงเอาไว้ก็จะเกิดผลโดยในย่าดังกล่าวประการแรกประการที่สองก็คือสตานังวิสุทติยา ความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายประการที่สามก็คือโลกะปริเดวนังสมาธิกมายะเพื่อก้าวล่วงความโศกและความปริเวธนาการเพื่อความดับศูนย์แห่งทุกข์และโถมนัด มาความมาดับศูนย์ก็ถึงถึงนิพพานนะ่ะนะแต่ยังไม่ถึงนิพพานมันก็ไม่ศูนย์หรอกก็แต่ว่าก็ดับไปเรื่อยๆอย่างว่าชีวิตของชาวบ้านเราทั่วๆไปเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละคนก็ดับทุกได้ระดับหนึ่งระดับหนึ่งระดับหนึ่งระดับหนึ่งจนบางคนเนี่เรียกว่าอยู่ดีมีสุข ก็อาจจะไม่เจ็บคข้ไม่สบายอะไรไปเรื่องธรรมดาแต่ว่าในการครองชีวิตก็ถือว่าเป็นการครองเรือนครองสุขก็อยู่ดีมีสุขได้แล้วก็เพื่อร่วงเพื่อบรรลุยยายธรรมยยธรรมนั้นหมายถึงนิพพานนะ คือการดับเครื่องกิเลสและเพลิงทุกข์ไปตามลาดับตั้งแต่พระสวัิ์บัณขึ้นไปอ่ะแต่ว่าเวลาส่งเรียกในที่อื่นส่งแสดงในที่อื่นแม้กิเลสที่ลดลงวันกว่านั้นก็เรียกนิพพานแจนว่าตาทางกันนิพพานคือดับกิเลสเป็นขณะขณะไปใครทำให้โกรธไม่โกรธใครยั่วให้อยากไม่อยากใคร ยั่วยนไม่เกิดกำนัดไม่เกิดความกำนัดมันก็นิพานได้เป็นขณะขณะไปโบราณเขาเรียกว่านิพานดิบมันกําเริบได้เปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยประการต่อไปก็คือวิคัมพนานะิพานอะเรียกวิคัมพนะนิพาน คือนิพพานด้วยการสยบ ก, กิเลสเอาไว้เจนอธิษฐานใจว่าตลอดใจมาดนี้จะไม่ดื่มสิ่งเสพติดได้โทษชีวิตนี้จะไม่เล่นการพานันอะไรต่างต่างเนี่ยคือลดลดความชั่วเพิ่มความดีจะโดยวิธีใดก็ตามได้มากได้น้อยก็ตามก็ถือว่ามันก็อยู่ในกรอบของ ตทาทังค่ะคือดาบกิเลสโดยองค์นั้นนั้นทีนี้ถ้าตาวอนขึ้นเป็นระดับสมาธิดังกล่าวเนี่ยมันก็เรียกอุพิคมพะะอีกอ่งหนึ่งเป็นเรียกว่าสมุทเษธนิพานคือดับกิเลสได้เด็ดขาดเด็ดขาดมังก็มีสองเด็ดขาดะนะฮะก็ที่จริงเรียงให้ดีก็คือสามเด็ดขาด เด็ดขาดหนึ่งเช่นสมาทานศีลเป็นสมุดเฉตวิรัตคืองดเว้นเด็ดขาดอย่างศีลห้าประการเนี่ยที่จริงมันควรจะเว้นเด็ดขาดสับ้างมันยุ่งเหลือเกินสังคมเราถ้าไม่ละเมิดศีลห้ากันนี่ยแมโลกมันน่าอยู่เหลือเกินที่น่าเจ็บใจก็คือประเทศไทยคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา เล่นอะไรไม่รู้มันชอบเล่นที่ไม่ค่อยยุติด้วยเหตุผลในความถูกต้องเช่นตำบุญตัก บ, บาทข้าสารอาหารแห้งอย่างเงี้ยมันก็ตักได้แต่ว่าควรนำไปถวายที่วัดไม่ใช่ให้พระรับพอถ้าพระรับแล้วเนี่ยมันฉันไม่ได้ ก็ต้องให้เด็กถ้าเด็กเอาไปฉันเรียบมันก็จบคือหมายความว่าถ้ารับมันก็ฉันได้เฉพาะวันนั้นแต่ทีนี้เป็นอาหารแห้งเนี่ยมันก็มีกรรมธีขั้นตอนอีกเยอะจนกว่าจะได้ได้ฉันแล้วก็ตักบาดมาอย่างนั้นแห้งบ้างบ้างไม่แห้งบ้างก็ ส่วนอาหารที่จะฉันมันก็มีอยู่ในสูตรอาหารส่วนหนึ่งก็ต้องเอาไปแจกแบ่งในที่ต่างๆทำอย่างนั้นได้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกแต่ว่ามันขัดแย้งกับวินัยแล้วแนวความคิดตรงนี้เป็นความคิดของชาวบ้านมันก็ออกมาเรื่อยๆแต่บางทีพระเราก็สนับสนุนท่านด้วย สนับสนุน ญ, ญาติโยมไปด้วยก็ทำให้มีเรื่องแปลกๆก้าวัดอะไรนะกวันก้าวัดทวารวายว้ ว, ว, วพระเจวัดว้าพระก้าวัดว้พระ10วัดอะไรอะไรต่างๆพระก็คือพระพระพุทธรูปที่วัดไหนก็คือพระพุทธรูปเป็นปฏิมาแทนองค์พระพุทธเจ้าเหมือนกัน มันไม่จำเป็นจะต้องไปแบ่งวัดนั้นวัดนี้วัดโน้นอะไรบุทธรูปก็คือพุทธรูป ก, การศักดิ์สิทธิ์มันก็เป็นเรื่องเฉพาะองค์เฉพาะเทวดาที่อาราขาคุ้มครองมีการดนบันดาลให้เป็นไปบ้างในบางการณีแต่มาไม่ใช่ทุกกรณีหรอกทีนี้ แล้วก็มีพาราทข้อต่อไปนี่เาเรียกว่านิศรณะนิพพานคือหมายความว่าออกไปจากอำนาจกิเลสได้เด็ดขาดกิเลสอะไรที่ละแล้วก็ถือว่าละไปแล้วไม่มีอาการกำเริบเกิดขึ้นอีกต่อไป แล้วข้อที่ห้าก็เรียกว่าปฏิปัสสธินิพพานคือแม้จะมีอารมณ์มากระตุ้นอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่านางตันหาราคารตีมายุย่ยยวนพระพุทธเจ้านี่ครัสาวๆเป็นร้อยๆนะนิรมิตมาเนี่ยมาจากผู้หญิงสามคนมจาจ า, จากเทพจากเทพธิดาสามคนเท่านั้นเองในการบำเพ็ญเพียรเนี่ยเราก็คงจะต้องขัดเกลาไป ในห้าขั้ น, นีนได้สักขั้นหนึ่งก็บุญแล้วเป็นบุญเป็นกุศลแก่คนที่ทำได้แล้วทำได้บ้างมาความว่าเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยคิดไว้ให้ดีว่าเออทำยังไงกิเลสมันลดลงหน่อยทรรมาเพิ่มขึ้นหน่อยแล้วก็จริงก็ไม่ต้องลึกซึ้งอะไรเท่าไหร่ก็ได้ตามไม่สามารถเอาขนาดพวกศีล น, นี่แหละก็ให้รักษาศีลได้นา น, น, าน ขอดรักษาได้ขาดก็งดเว้นได้เด็ดขาดก็งดเว้นงดเว้นยังไม่เด็ดขาดก็พยายามงดเว้นมันเป็นอาการขัดเกลีจิตใจของบุคคลปฏิบัติในแนวขัดเกลีจิตใจของบุคคลมาตกเป็นทาตของกิเลสทั้งหลายแล้วก็จากนั้นก็รับสั่งว่า ทางนี้คือสติปัฏฐานสี่ประการเป็นไฉนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกเทตุก ร, รมยตาปุจชาคือทรงแสดงเองท่งถามเองและท่งตอบเองถามเพื่อจะตอบเจียเองแต่ตีต่างว่าผูกฟังในขณะนั้นก็สามารถตอบได้ ก็จะปล่อยให้ตอบแต่ว่าท่านฟังกันอยู่หลายรูปนั้นอาจจะตอบได้บ้างตอบไม่ได้บ้างเป็นวิธีกระตุ้นคนให้เกิดมาสนใจในจุดเดียวกันมาความว่าสีประการคืออะไรบ้างท่านก็เออคืออะไรบ้างมันก็จิตมันมารวมอยู่ที่คำว่าคืออะไรบ้างและจากนั้นก็ทรงแสดงว่า พิสูทั้งหลายพิสุในธรรมในนี้พิจารณาเห็นกายในภายในอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกไปเส็จได้อ น, นี้คือโครงสร้างแม่บทนะครับก็มีอยู่สองเรื่องก็คือธรรมะ ก, กับกิเลสเพราะว่าสติปัฏฐานเนี่ยเป็นสัมมาสตินะฮะเป็นสัมมาสติเป็นมรรคสัต ก็อยู่ในกลุ่มของมารกษัตริย์เวปฏิบัติก็ทรงแสดงเหตุก็คือพวกกุศลธรรมที่จะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติได้จะเกิดผลก็คืออกุศลธรรมมันลดลงไปข้อแรกก็คือมีความเพียรความเพียร น, นั้นเขาเรียกว่าเป็นไปทั้งทางกายแล้วก็เป็นไปั้งทางจิต เพราะว่าระดับการเจริญกรรมาฐานนั้นมีการเดินตรงกลมมีการนั่งสมาธิมีการนอนแบบสีห์หัสยญาติอะไรต่างๆเนี่ก็สรุปว่ามันก็เพียนทั้งทางกายแล้วก็ทางทางจิตเด่นไปที่กายกับจิตเป็นหลักว่าจาก็ไม่พูดก็จบแล้วแต่ว่าจิตมันยังคิดอ่ะ เรั้นจึงเล่นไปที่สองข้อนี้ความเพียรก็คือความเพียรในที่สี่สถานก็แรกเรียกว่าสังว ร, รประธานเพียรสำรวมระวังมาให้บาปอากุศลเกิดขึ้นภายในจิตสันดานของตัวเองบาปอากุศลมันก็เกิดมาจากสองทางนะฮะคือทางที่เราสัมผัสอารมณ์ในขณะนั้น แล้วเราก็เกิดกาหนดด้วยความกาหนัดด้วยความขัดเคืองด้วยความรุ่มหลงด้วยความบวเมาข้อใดข้อหนึ่งนะก็ทุกข้อนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดกิเลสได้ในขณะเดียวกันก็ได้ทรงสอนให้มีการพยายามสำรวมระวัง เวลาสำรวมระวังสมมุติว่าชุดสํารวมระวังเนี่ยจะส่งสอนในชุดนี้เลยเอาเป็นห้าข้อรวดเดียวเลยก็คือหนึ่งปาติโมกขสงังวรสํารวมระวังตามบทบัญญัติของสิกขาบทที่ส่งบัญญัติเอาไว้เจนว่าสิกขาบทห้าข้อเนี่ยมันก็เป็นข้อที่ส่งบัญญัติเอาไว้เราก็สํารวมระวังไม่ล่วงละเมิดตามบทบัญญัติของสิกขาบ ท, ทนั้นๆ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นสังบอรเป็นสำรวมทีนี้ในขณะเดียวกันเขาก็เรียกว่าสติสังวรคือสำรวมด้วยสติตั้งสติระลึกรู้เท่าทันถึงความจริงที่ปรากฏขึ้นภายในจิตในขณะนั้นๆถ้าหากว่าความกำหนัดความขัดเคืองความรุ่มหลงความวมัวมเอจะบังเกิดขึ้นก็พยายามปิดกั้นกระแสของกิเลสเหล่านั้นเอาไว้ บิกั้นไม่ได้หมดก็อย่าให้แรงเกินไปทีนี้ก็ต่อไปก็ต้องใช้ขันติหรือความหมดกัน้นความหมดทนเอาเช่นว่าเขาล่วงเกินด้วยวิธีการต่างๆขงู่คุกคามชกต่อยท่าชกต่อยท่าตีท่าต่อยท่าตีท่าต่าตอยเนี่ยก็สรุปว่าัก็ไม่ควรทำไง ก็ต้องทนเอาคือไม่ทําอย่างที่เขาทาให้ทําเพราะถ้าเราทําตามที่เขาทาให้ทำเหมือนกับเราเป็นคนรับใช้เขาคือสนองอารมณ์เขาตอบสนองอารมณ์เขาไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาวิธีการของพุทธศาสนาที่จริงเป็นวิธีธรรมชาติคือหมายความมาถ้าฝ่ายหนึ่งสกปรกก็ต้องล้างด้วยความสอาด ตรงึงโรกรุงรังก็ต้องกวาดด้วยไม้กวาดด้วยสิ่งที่ปัดกวาดเครื่องดูดฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ยคือสรุปว่าไม่ได้ใช้วิธีเดียวกันไม่ใช่ว่าเขาด่ามาก็ด่าไปเขาต่อยมาก็ต่ตอยไปเขาสบประมาดดูหมิ่นมาก็ดูหมิ่นไปเขารังแกมาก็รังแกไปอย่างนี้มันไม่ใช่วิธีทรงวางหลักเอาไว้ ซึ่งหมายความมาเราก็คิดได้ยาวแต่ว่ารงยกตัวอย่างสี่ประการชนะความชั่วโดวยความดีชนะความสนิโ ด, ดยการให้ชนะคนผู้จาระ ล, ละละโดยการกล่าวคำสัตย์คำจริงนี่ก็เป็นหลักการหรือว่าที่โครงโลกอนิี้องไปแปลเป็นคำกรนว่า ให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองนอบท่านท่านจะปองนอบไว้รักท่านท่านจะครองความรักเราหนาสามสิ่งนี้เว้นไว้แด่ผู้ทรชนหมายความว่าเราทำตรงกันข้ามกับเขาอะในส่วนที่เขาทำไม่ดีก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ปล่อยเขาไปแต่ว่าบทเราจะทาเราก็ทำตรงกันข้ามกับเขาไปแล้วก็ข้อต่อไปก็เรียกว่า ญาณสังวรคือสํารวมด้วยความรู้เท่าทันตามความจริงที่ปรากฏในขณะนั้นตรงนี้ควรจะคิดยังไงควรจะติดตัดสินใจยังไงก็ทำไปตามนั้นที่มันเกิดประโยชน์อะหมายความประโยชน์จะพึงเกิดขึ้นโดยวิธีใดๆก็ให้ใช้ความพยายามในที่นนันั้นโดยวิธีดนั้น น, น, นี่ก็เรียกว่าเป็นเป็นเรื่องของสังวรหระอวะ แล้วจนถึงเป็นสารวมระดับชาระดับอะไรต่างๆคือสรุปว่าให้จิตมันอยู่ที่กุศลก็แล้วกันจิตอยู่ที่กุศลก็ชื่อว่าสารวมระวัง้วยกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่ามันหยาบกลางประนีตยังไงแล้วก็ต่อไปก็คือวิริยะสังวรนะ่ะสรวมระวังโดยความเพียรมันก็อีกหละก็คืออยู่ในข้อเหล่านี้ทีนี้ธรรมะสามข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่ คือสติมาเนี่ยอาตาปีสัมปชัโนสติมาวินยะโลเกภิจดูมานัสังประการแรกก็คือมีความเพียรความเพียรก็คือความเพียรในที่สี่สถานประการแรกก็เพียรระวังบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้น จะเป็นบาปจะเป็นอกุศลจะเป็นความชั่วจะเป็นอะไรปัญหาอันตรายอุปสรรคอะไรก็ตามนหะมันยังไม่เกิดหรอกเราก็พยายามไม่ให้เกิดขึ้นทีนี้ปหาหน้าประธานเราก็เห็นความผิดปกติทางกายทางวาจาทางใจของเราเรา เราคิดผิดปกติเราพูดผิดปกติเราทำผิดปกติเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรก็พยายามลดอะพยายามลดพยายามละพยายามบรรเทาตามไปตามกาลังความสามารถประการต่อไปก็เรียกว่าภาวนาประทานคือเพียรระวังรักษาสิ่งที่ดีงามเอาไว้เช่นสมมติว่าคนเราคนหนึ่งนะท่าทีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน หรือว่าธาติต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายปุงว่าธาติต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยในสัตว์ทุกชนิดเรามีจิตรประกอบด้วยเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อบุคคลเหนั้นไม่มีการคิดไม่มีการทําไม่มีการพูดที่เป็นการเบียดเบียนประทุษรายกัน คนที่ประสบปัญหาประสบภัยประสบอุปสรรคประสบอันตรายต่างๆก็พยายามที่จะช่วยขจัดบรรเทาปัดเป่าให้เบาบางลงไปอันี้ก็แน่นอนแหละตามกำลังความสามารถที่เราจะกระทำได้เพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่บางทีมันอาจจะเป็นเตี้ยอุ้มค่อมือ ไม่อยู่ในฐานะที่จะทำอะไรขนาดนั้นได้มันก็ช่วยเหลือขวนขวายในเรื่องเราอื่นเรืออาจะบอกกล่าวชี้แนะไห้คนทั้งหลายอย่างเนี้ยอย่างพระที่ทำงานในรูปสังคมสงเคราะห์ก็เรียกว่าคือบางทีมันถามว่าไม่ทำได้ไหมมันก็ไม่ได้หรอก เพราะอะไรเพราะว่าสังคมเรามันหล่อหลอมจนาศาสนากับสังคมนี่เป็นอันเดียวกันปะมายความว่าเวลาสังคมมีปัญหาอะไรขึ้นมาในาศาสนาจะต้องไปเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องคนประสบความทุกข์ชาวบ้านประสบสาธารณภัยประสบอันตรายต่างๆ เราก็ขวนขวายบอกกล่าวใช้สื่อทางวิทยุบ้างทางโทรทัศน์บ้างแต่มาเองเป็นคนไม่ถนัดไม่ถนัดในการที่จะบอกบุญเรื่อยอะไรต่างๆเนี่ยคือเราก็คิดว่าเราก็หลีกมาทํางานอื่นที่มันถนัดถนัดดีกว่าก็ให้คนที่เขามีความสามารถเขามีบุญบา ร, รมีเขามีคนทําบุญร่วมกับเขามานะแล้วเกิดร่วมยุคร่วมสมัยก็เข้ามา พูดแล้วก็เป็นที่เชื่อถือถ้อยคากันแล้วก็อนุโมทนาให้เขาทำกันไปใครสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็อนุโมทนาด้วยกันทั้งนั้นอันนี้ก็คือเราจะเห็นว่าพอคนประสบความเจริญก้าวหน้าสาเร็จตรงนี้ที่จริงแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรก็ประสบความสาเร็จแล้ว เพียงแต่ว่าอย่าริษยากันได้ไหมแสดงงันโมทนามุทิตาชื่นชมยินดีในการกระทำของเขาอย่างที่ไปเขาเรียกว่าอรชิยนันโตในการวางศิลาฤกษ์สมเด็จพระนางเจ้าก็สมเด็จพระเทพสเสด็จวางศิลาฤกษ์ที่โรงยาบาลจุฬาลงกรณ์สร้าง อาคารพยา บ, บาลขนาดใหญ่สูงถึงย9สบชั้นเชื่อคารภูมิสิริมังคลานุสรแล้วก็มีผู้มารับราชทานสมนาคุณจากพระหัตถ์ของพระองค์คนจำนวนไม่มากครับ คือลองนึ่งนับดูในใจะนะก็เห็นว่าคนจำนวนไม่มากไม่ถึงห้าสิบคนแต่ว่าบริจาคเงินได้ตั้งแสนมืนกว่าล้านมือนกว่าอะไรไม่ใช่หมื่นน้อยๆนะไม่ใช่หมื่นต้นๆหนะมื่นค่อนข้างไปทางกลางๆตอนปลายไปแล้วแล้วก็สร้างเสร็จพศสองพันหรอ ห้าสิบเจ็ดเราฟังแล้วเกิดปิติประมทชื่นชมยินดีอนุโมทนากระยาดโยมเรานั้นไม่รู้จักกับเขาหรอกแต่ว่าแมมคนเรามีทรัพย์แล้วก็มีศรัทธาเนี่ยสำคัญมากเพราะงั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าทรัพย์ก็ต้องรักษาศรัทธาก็ต้องรักษาเวลาจะ บริจาคบำเพญ็ญสาธารณกุศลอะไรก็ทำตามกำลังทรัพย์หรือตามกำลังศรัทธาถ้าทรัพย์มากศรัทธาน้อยก็ทำตามศรัทธาแต่ทรัพย์น้อยศรัทธ า, ทามากก็ทำตามทรัพย์ก็แล้วแต่คือสรุปว่าการทำบุญใหญ่เดือดร้อนก็แล้วกันแต่ว่าที่เขาทำในเราก็รู้ว่าเขาไม่เดือดร้อนเราก็อนุโมทนาเขา ทีนี้ในกรณีที่คนเขาเป็นไปตามกรรมของเขาทั้งส่วนที่จเจริญขึ้นจเจริญดำรงอยู่อย่างนั้นตลอดมาแล้วก็ทั้งส่วนที่ประสวดผมผลบาปรกรรมการผิดกฎหมายบานเมืองผิดอาญาแผ่นดินอะไรต่างๆนั้นมันเป็นนอกวิสัยที่เราจะไปแก้ไขอะไรได้เราก็ทำใจเป็นอุเบกขา ร้นพรหมิหารทั้งสี่นี่เป็นเรือนใจเป็นหลักใจของคนที่จะต้องรักษาเอาไว้ก็เรียกอนุรักษณาประธานคือพยายามตามรักษาซึ่งกุศลเอาไว้ภายในจิตใจให้มีความหนักแน่นมั่นคงไม่อ่อนแอไปตามกระแสของของโลก หรือของโลกียวิสัยในนี้ก็เป็นทรงชายจริงๆทรงชายกรรมตับปะแปลว่าความเพียนที่เผากิเลสให้เราร้อนจนละลายมอดไหม้ไปในที่สุดตับปะก็คือความภาคเพียนในลักษณะทุ่มเท มันต่อสู้กับ น, นา ม, มาธรรมอ่ะนา ม, มาธรรมก็คือกิเลสทั้งหลายอ่ะจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ไม่รู้ส่วนหนึ่งก็กระตุ้นมาจากข้างนอกก็มีทุกวันเดี๋ยวปฏิสัมกางยิ่งคือเราเหนียวนึกด้วยใจปรุงคิดคิดปรุงจนเกิดเป็นความกําหนัดเกิดความขัดเคืองเกิดความร่ำหลงเกิดความมัวเมาระงานก็ต้องพยายาม ใช้ความเพียรที่ไม่ใช่ธรรมดาแต่ตัวความเพียรเองนี่แปลว่ากล้าหารก็ได้นะมาจากคำว่าบีระเนี่ยก็แปลว่ากล้าหารคือไม่ประวันพลันพรึงไม่อ่อนไหวไปกับกระแสอารมณ์ที่กระแทกกระทันใจตามจิตใจให้แปรผันเดือดร้อนไปด้วยประการต่างๆ นี่ก็เป็นเรื่องความเพียรแล้วความเพียรเนี่ยมันต้องอยู่ทุกเรื่องคือศาสนาพุทธเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวิริยะวาจีคือกล่าวสันเสริญการใช้ความเพียรพยายามผลทั้งหลายนั้นจะเกิดขึ้นมาได้ก็โดยการใช้ความเพียรพยายามไม่มีผลอะไรที่เกิดขึ้นลอยๆหรอก สมมติว่าบางครั้งบางคราวคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองมีลาบลอยเกิดขึ้นจากการดลบันดาลการประสิทธิ์ประสาทการส่งเสริมของสิ่งตั้งหลายที่จริงมันไม่มีอะไรขนาดนั้นหรอกถ้ามีจริงก็คือบุญในอดีตที่ตามมาสนองผลให้แต่ว่าลอยๆยเลยเนี่ยถามไม่มีเหตุไม่เหตุมาจากอะไรแล้วไม่มีเหตุมีผลอะไรแล้วมันจะเกิดขึ้นนี่มันเป็นไปไม่ได้หรอก จะต้องมีเหตุปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดผลเหล่านั้นทีนี้ประการต่อไปก็คือมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะที่จริงปัญญานะสัมปชัญญะเนี่ยก็คือปัญญาแปลเต็มที่ว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมหมายความว่าเป็นงานต่อเนื่องกันของความเพียรสติและสัมปชัญญะ เช่นสมมุติว่าเราจะหยิบไฟเนี่ยหยิบไฟสติระลึกว่าจะหยิบไฟขณะที่จะหยิบเราก็รู้ว่าเรากำลังหยิบไฟแล้วก็ต้องใช้ความเพียรพยายามหยิบโดยให้ร้อนน้อยที่สุดหรือไม่ร้อน mm hmm. ก็โดยมีเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาตัดไฟเหล่านั้นการตักฐานเหล่านั้นแต่ทีนี้ถ้าหากว่ามันเกิดขาดสติขึ้นมาขาดสัมปชัญญะขึ้นมา หรือขาดความพยายามที่ถูกทางขึ้นมาไ้มันก็จะไม่เอาได้แต่นั้นท่านยึงสอนให้มีสัมพัญญะสัมพัญญะโดยหลักแล้วเนี่ยมันก็มีอยู่4กลุ่มใหญ่ๆนะสีกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเนี่ยเขาเรียกว่าสัตตกะสัมพัญญะ เปลว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์คือเราต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์อยู่ทุกขณะจะหายใจเอาอากาศเข้าไปจะนอนอยังไงอย่าให้มีปัญหาจะยืนยังไงอย่าให้มีปัญหาจะนั่งยังไงอย่าให้มีปัญหาการอาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัว อะไรก็ตามและก็สรุปว่าจะต้องไม่มีปัญหาเกิดขึ้นบีดเบีย น, ยนประทุษร้ายตัวเองนี่ก็เป็นหลักการสำคัญที่จะต้องมีสัมปชัญญะอะไรเป็นเหตุเป็นผลของอะไรอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรดีอะไรชั่วอะไร เป็นความเสื่อมอะไรเป็นความเจริญหมายความว่าแยกได้ตลอดแล้วประการต่อไปก็คือโคจระสัมปัญญะแปล ว, ว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมถึงสถานที่ที่ควรไปหรือไม่ควรไปก็มีสองทางนะควรไปหรือไม่ควรไปเรามีวัตถุประสงค์ในการไปอยู่ แต่การไปในสถานที่บางแห่งมันไม่เกิดประโยชน์อะมันไม่ัมนรู้วัตถุประสงค์ตามที่เราต้องการอย่างยกตัวอย่างว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่ภาคใต้เวลาเนี้ยมาเองก็เคยไปสามครั้งต่อกัน น, นะนะแล้วก็รู้สึ ก, กว่าแมมมันมีพิธีรีตองมีทางราชการเข้ามารับผิดชอบดูแลอารักขาเรารู้สึกอึดอัด อ้บ้านเมืองของเราเนี่ยทำไมเราต้องมีการรักขาอะไรกันขนาดนี้แต่เราจะไปกับคนขับรถแต่คนขับรถมันก็กลัวไอเราเองเราไม่กลัวหรอกแต่ว่าคนขับรถก็กลัวแล้วก็ทางราชการเขาก็ไม่ยอมให้ไปไม่ยอมให้ไปไหนก็เลยไปสามทีก็เลิกไปเลย เพราะอะไรเพราะว่ามีความสุ่มเสี่ยงจากการไปในลักษณะอย่างนั้นมีความสุ่มเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดภัยโอกาสที่จะเกิดอันตรายมันก็มีได้ง่ายเลยอย่างหนึ่งความความคิดเนี่ยนะความคิดเราจะเห็นว่ามันมีเรื่องควรคิดกับไม่ควรคิดคิดบางเรื่องเป็นการคิดเพอ้อฝัน คิดไปมันได้อะไรกันอย่างคิดที่จะถูกหวยอย่างนี้คิดจะถูกหวยนีย่คนจนแล้วส่วนมากก็จะคิดกันมากเล่นหวยถูกหวยไปเสี่ยงอะไรต่างๆแม้แต่อยู่กล้วยแตกหนอก่อกลางกลางกอต้นกลางกลางกอกล้วยนีย่เราก็ไปไปขูดไปหาตัวเลขกัน ในกรณีนี้ก็คือความคิดความคิดว่าเรื่องนี้คิดไปมันก็เท่านั้นเองไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ไม่คิดจะบ้างพยายามบรรเทาความคิดที่ออกจากฟุ้งซ่านไปเสบ้างประการต่อไปก็คือสปายะสัมปัญญะคืออะไรก็ตามที่มันสะดวกสบายอ่ะเรียวกว่าสะดวกสบาย จะไปที่ไหนมันก็ต้องสปายะคือสะดวกสบายในการไปอาหารจะต้องไม่ปีพิษภัยต่อท้องต่อใส่อากาศจะต้องไม่มีมลพิษไม่มีความเดือดร้อนในการที่เราไปสู่อากาศเหล่านั้นเข้าไปหรือ ว, ว่าอารมณ์อย่างเงี้ย ก็จะต้องมีส่วนช่วยอย่างสาคัญในการเสริมสร้างอารมณ์เราให้มีปกติสุขก็สรุปว่าทั้งหมดอย่าให้มันสบายอาหารเป็นที่สบายอากาศเป็นที่สบายอารมณ์เป็นที่สบายคนเป็นที่สบายนะแล้วก็ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมให้เป็นที่สบายตลอดถึงอารมณ์กรรมฐาน อารมณ์กรรมฐานเหล่านี้ที่จริงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องปฏิบัติทุกข้อหรอกไม่มีใครจําเป็นจะต้องไปทําทุกข้อแต่ว่าให้มีข้อเริ่มต้นขึ้นสักข้อหนึ่งพอจิตมันพัฒนาขึ้นไปสู่ฌานสู่ญาณแล้วเนี่ยมันจะทะลุ ป, ปลูปลงเองอย่างที่ยกตัวอย่างในอนัตตลักษณสูตรไว้วันก่อน เราจะเห็นว่าตอนแรกพ ร, ระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงอันนี้จังกับทุกขังแสดงให้เห็นว่าขันห้านั้นเป็นอนัตตาแต่พอถึงช่วงที่สองเนี่ยแล้วสั่งถามว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสังสำคัญความข้อนี้เป็นช่ไหนเอาสรุปฮะว่าขันห้านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยง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 แต่ว่าท่านได้บรรลุญาณคือเป็นพระโสดาบันอยู่แล้วการพอพร ะ, เ, พระเจ้าแสดงธรรมะแบบต่อยอดขึ้นไปท่านก็เข้าใจแล้วก็ตอบตรงประเด็นไปทุกประเด็นประเด็นประเด็นประเดนจนถึงกระจายออกไปในการทั้งหลายในทิศทั้งหลายในจำนวนทั้งหลายอะไรต่างๆเนี่ย เป็นนอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเล็วก็ดีประนีก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกลก็ดีนั่นก็สักแต่ว่าขันหะไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรานี้ให้ลองสังเกตว่าทรงเริ่มต้นที่จุดเล็กๆคือรูปเป็นนาณตาเท่านั้นเอง แล้วขยายไปก็ในกรอบของขันทั้งห้าแต่ขันห้าหมดแล้วนะฮะคือห้ามารูปหรือมันหมดแล้วไม่มีอะไรอื่นไปจากขันห้ายกเว้นนิพพานน ะ, ะไม่มีอะไรอื่นไปจากขันห้าแล้วทีนี้ข้อต่อไปก็คือเรียกว่าอาศัมโมหะสัมปัญญาเป็นปัญญารู้ตัวทั่วพร้อมที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ย ทำให้บุคคลไม่หลงตามความจริงของสิ่งเหล่านั้นเพราะความจริงที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นเป็นยังไงก็เข้าใจชัดเจนแจ่มแจง้งตามความเป็นจริงที่ปรากฏเกิดขึ้นแก่สิ่งเหล่านั้นนี่ก็เป็นหลักคือหมายความว่าความเพียรแล้วก็สามัญชนะ ต่อไปเรื่องสติเรื่องสตินี่ค่อนข้างยาวนะคือสตินี่ค่อนข้างยาวเพราะว่าสตินี่มันต้องใช้ทุก อ, อย่างสติสบัตปตปฏิยาสติจำปรารถนาคือจำเป็นจะต้องใช้ในที่ทต่างๆเพราะงั้นพระธรรมเทศนานี้ก็ทรงแสดงไปตามลำดับ ทรงจัดเป็นหมวดย่อยหมวดใหญ่แนละหมวดใหญ่คือกายเวทนาจิตธรรมแล้วก็ไปย่อยกายย่อยเวทนาย่อยจิตย่อยธรรมออกไปอีกวิจิตพิสดารอะไรทีเนี้ยก็ประสูตรนี้คงอยู่อีกนานแล้วก็ไม่เอามหาสติปัฏฐานมาสูดนะฮะพูดพูดเฉพาะสติปัฏฐานสูตรซึ่งมันย่อ ก, กว่าแต่ว่าข้อความเนี่คลุมถึงกัน